ا ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد ل ل ه رب العالمين ا ل ل ه م ص ل و س ل م وبارك على ن ب ي ن ا م ح م د وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ر ับอธิษฐานให้ศรี ل ละเสริมให้ ع ำมรีว่า ا ลล ي กดัต ا ิลิส ا นิอัตตาวุโคลีอาล ن ا ม์มะฟะเนะบิมาลัมต์เนะและอัลลัมเนะ ن าเย่ฟะเนะแล ف อัลลัมเนะอัลมาร ن บบานะ ا ัลเลมเนะอัลฟุสเน ن และอัลลัมเตอ มัน أ รินารศดา alhamdulillah ชกรตอัลลอฮซุบฮานวาตะลยงที่เราได้บอกเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราหมดไปแล้วสุร ة a l f a t i ทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณนะครับก็เลยประมาณสักเก้าคาบก็เกรงว่าถ้าจะเอาส ورة ใหม่คงจะไม่ทัน เชิล า, Allah, าหลังรอมาดอนไปเลยทีนี้เวลาที่เราเหลืออยู่ประมาณสักสองเดือนเนี่ยกับเองหนึ่งสัปดาห์นะครับตั้งใจว่าจะเอาบางกลุ่มอายะที่น่าสนใจเอามาพูดคุยกันนะครับซึ่งที่เอามาวันนี้นะครับก็คือกลุ่มอายะที่พูดถึงคุณลักษณะของไอบาดุรรหมาน ที่ Allah s u b h a n a h ว Wa t a พูดถึงในสุรัตุลฟุร์กานสุรัตุลฟุร์กนตั้งแต่อายะที่61เป็นต้นไปอย่าวเราจะมาอ่านกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายมาบอกสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้เลือกกลุ่มอายะนี้ในการที่จะมาพูดคุยนะครับเสริมความรู้ของเราเลือกอายะเหล่านี้มาอา้าวแจกชีตกันหมดทุกคนแล้วนะครับ พี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับทางออนไลน์ก็สามารถเอาอัลกุรอานมาเปิดดูก่อนได้เปิดไปที่สุรตุลฟุรกอนอายัตที่61เนะครับเป็นต้นไปเมาอ่านกันก่อนนะครับอูรุบิลลาฮิมินัลชยนนรรัยกอัลรจม ที่ประเสริฐที่สุด وهوالذيجعلالليلوأنهارخلف لمنأرادأنيذكرأوأرادشكرًا وعباد َُِ الرحمن َ الذين َ يمشون ََ على الأرض َِ هون َ وإذا ََِ خاطبهم ََ الجاهلون َِ قالوا ลมอั่นี้ก่อนนะครับเป็นการเกิดนํำบทเดียมาจากอายัดที่เราเลือกนะครับในสุรทูอัลฟุรุกานเชื่อว่าหลายๆท่าน อาจจะเคยผ่านหูผ่านตาอายะที่เรากำลังจะเรียนนี้นะครับที่พูดถึงอิบ้าดุลราะมานเคยได้ยินใช่ไหมครับอิบาดุลราะมานหรือว่าใครไม่เคยได้ยินใครเคยได้ยินเป็นครั้งแรกบ้างมาชะอัลลอฮสาเหตุที่ความรู้สึกมันพาไปให้เลือกอายะ ต, ตุม น, นี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เราเห็นถึงความสวยงาม อกลุ่มอายะที่พูดถึงิบาดุลรหมานในท้ายส ورة อัลฟุร์คนเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนกลุ่มอายะที่มีความ อ, อธิบายไม่ถูกความประชับมีพลังมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจมออีแนวทางในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นคนที่ ประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุน ي านี้และแน่นอนที่สุดความสำเร็จที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความสำเร็จในวันอัคิรัตพี่น้องครับทุกวันนี้เราเห็นหลายๆคนพยายามสแสวงหาความสำเร็จในชีวิตโลกดุน ي านี้มีทั้งสแสวงหาด้วยตัวเองหรือมีทั้งสแสวงหาด้วยการไป เรียนอ่านหนังสือไปเข้าคอสอบรมต่างๆนานาเยอะแยะมากมายบางทีมีคอสที่อแปลกๆนะคอสอบรมพัฒนาชีวิตคอสอบรมพลังชีวิตคอสอบรมปลุกยักษ์ในตัวคุณเ <c oughs> คยได้ยินไหมแล้วไม่ใช่ถูกๆนะครับเป็นหมื่นเป็นพันนะคอสอบรมพวกนี้เหมือนกับว่าเราทุกคนโดยฟิตร์ ของเราโดยธรรมชาติของเราเนี่ยต้องการการพัฒนานะมนุษย์เนี่ยจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องการการพัฒน า, าต้องการดึงศักยภาพของตัวเองให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จในชีวิตผมไม่อยากจะไม่อยากคือไม่อยากจะอะไรดีอะอยากจะไม่อยากจะเปรียบเทียบแต่จะบอกว่าสุ้านัลล่นอหร คำพีของอัลลอฮ์ سبحانه แะาลเนี่ยคือล้ำหน้ามากล้ำหน้าก่อนที่จะมีคอร์สพวกนี้ในยุคของเราอ่ะไอคอร์สอบรมต่างๆนานาเ น, นี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นหลังๆนี้นะครับก่อนหน้านี้หนึ100่งร้อยปีผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าคอร์สที่จะมาอบรมสัมมาาให้คนอยากจะเจอความสำเร็จในชีวิตแต่เนี่ยนี่คือคอร์สจากอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ะาล คือหลักสูตรจากอัลลอสซุบฮานาวะตะลานั่นแหละที่เราอยากจะย้ำเหลือเกินให้กับคนที่ไม่ยอมเรียนอัลกุรอานหรือคนที่ยังไม่เห็นความสำคัญของอัลกุรอานเวลาที่เราบอกว่ามาเรียนอัลกุรอานกันเถอะก็จะมีบางคนบอกว่าเรียนไปทำไมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมไม่รู้ว่าอัลกุรอานสามารถเปลี่ยนเราจากอยู่แบบธรมธรมดาาให้เป็นคนที่มีความสาเร็จในชีวิต ให้เป็นคนที่มีศักยภาพในการใช้ชีวิตคือไม่รู้อะนี่ไงเรากําลังจะเอามาบอกเพราะบางคนเข้าใจว่าอัลกุรอานนี่พูดถึงอะไรพูดถึงอาลามุลเลกัยพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นพูดถึงความเชื่อพูดถึงอกคดะพูดถึงเรื่องราวในอดีตพูดถึงอะไรอีกสิ่งที่เหมือนกับลอยอยู่ในจินตนาการจับต้องไม่ได้หลายคนพอพูดถึงคําพี ในศาสนาพออธิบายคำพีในศาสนานี่ก็จะนึกถึงคำพีในศาสนาอื่นๆหรือคำพีในศาสนาบางศาสนาที่อาจจะหาไม่เจอสิ่งที่ลัทธิอารากาลังจะนำเสนอถึงสูตรในการดำรงชีวิตหลักสูตรในการปรับบุคลิกภาพว่าบุคลิกภาพของคนที่เป็นมุสลิมควรจะมีบุคลิกภาพอะไรยังไงแบบไหนเรา ไม่รู้อัล ก, รกรุรอานก็เลยไปกล่าวโทษว่าอัลกุรอานนี่เป็นคำตำราโบราณเป็นอะไรที่มีความขลังในแง่ของในแง่ของตัวอักษรในแง่ของนู่นนี่นั่นแต่นึกไม่ถึงว่าในคำพิเศษอัล ก, รกรุรอานเนี่ยจะเต็มไปด้วยข้อมูลที่จะเปลี่ยนบุคลิกภาพของเขาได้วิธีการดํารงชีวิตของเขาได้คุยตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคาดคิดจะเดินยังไง จะพูดยังไงจะจ่ายตังค์ยังไงจะใช้จ่ายยังไงในชีวิตประจำวันและอิลลัฮอิลลัลลอฮนี่คือคุณลักษณะที่เรามาเรียนในกลุ่มอายะตีเราเรียกว่าอิบะดุลรอฮ์มานกันนะครับแค่ชื่อมันเนี่ยสวยงามมากละ่ะชื่ออิบะดุลรอฮ์มานเนี่ยอิบะดลุลรอฮ์มานแปลว่าอะไรอิบะดแปลว่าอะไรอิบะด วัดเขล i ในอิบานีวัเเป็นพระหูพจน์มาจากคาว่าอับดุถ้าเราบอกอิบานุรหมัเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเราบอกว่าอับดุ rah มันรู้ไหมแปลว่าอะไรอับดุลรหมัมีใครชื่ออับดุลรหมานอะอับดุลรหมานเป็นชื่อที่สวยงามมาก أحب ا ل أسم ا ء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أو كما قال عليه ص ل و ا ه وسلام ท่านน صلى الله عليه وسلم บอกว่าชื่อที่ a l l ا ن ه และ تعالى รักมากที่สุดคือ عبد الله แล عبد الرحمنعبد ไม่ใช่บางบางเท่ห์อัล บ่าวของ Allah ที่มีคุณลักษณะแห่งความเมตตาม a s h a l แล้วมันจะไม่สวยงามได้อย่างไรอิบราฮิมเป็นพ้าหูพ์ม a s h a l l คำว่าอิบราฮิมหมายถึงไม่ใช่แค่คนเดียวตำแหน่งนี้ไม่ใช่จำกัดเฉพาะนาบีคนเดียวไม่ใช่ตำแหน่งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนนั้นคนนี้ เราซึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีสิทธิจะได้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ไอบาดุรรามานใครก็เป็นได้เพราะว่าตำแหน่งอับดุลบาวของสุบฮานอัลจาราเนี่ยเราแปลเป็นภาษาเราว่าบาวดูเหมือนว่าเป็นตำแหน่ง ก, กิ๊กกเป็นบาวเป็นไพรใช่ ตำแหน่งนี้ถ้าเราใช้กับมักลุกด้วยกันเป็นตำแหน่งกิ๊กก๊อกถ้าใช้กับมักลุกด้วยกันเป็นบ่าวของเจ้านายคนนั้นเป็นไพ่ของเจ้านายเห็นไหมดูเหมือนเป็นคนชั้นต่ําแต่มันไม่ใช่เวลาที่เราใช้กับ ح ح อัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى ใช่ไหมครับเอาง่ายๆอะ่ะถ้าสมมุติว่าเอาคนนี้เป็นคนรับใช้เศรษฐีหนึ่งร้อยล้าน เป็นเลขาของมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกนะเราบอกว่าเขาคนนี้เป็นบ่าวหรือเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีคนนั้นกับเราที่ไม่ได้เป็นบ่าวเขาเขากับเราใครเจ๋งกว่าอ๋พอนึกออกแล้อยังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นบ่าวของ Allah س ب ح ا ละเป็นบ่าว ก็จริงแต่เป็นบ่าวของใครต้องดูด้วยกับอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นบ่าวคนหนึ่งเป็นบ่าวของลอกรับกับอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นบ่าของใครมันคนละระ ด, ดับกันเลยลรานึกภาพเมื่อกี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งบ่าวของลอสุบฮานอตลจาลาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเป็นตำแหน่งที่ท่านนาบีสุลต่าร เป็นตำแหน่งที่ท่านนบีอัลลัมภาคใจกับตำแหน่งนี้อับดุลล์วรูลุะ ه อันนมุฮัมมัดนวรูลุนี่คปฏิยาตนเนี่ยเราสอนยเราจะคุ้นกับและ ش ه อันน์มุฮัมมดรูลุล์จะครับัจะมีอีกสอนวนหนึ่งที่ท่านนบีชอบก็คืออับวาินนี่อับดุลละห์วรัูลุ ตำแหน่งเป็นบ่าวของ Allah ซุลตานอัลตัลลาแล้วเวลาท่อัลตัลลาให้เกียรติท่านนบีของพระองค์พระองค์ก็จะใช้ตำแหน่งบ่าวนี่แหละ s u b h a l l a h li a s a b a b d i อลตัลลบอกว่าพระองค์ที่ทำให้บ่าวของพระองค์อิสระอิสระมราจใช้ตำแหน่งบ่าวเพราะฉะนั้นการาุปถมานจริงเป็นตำแหน่งที่พวกเราทุกคนใส่สัน เป็นตำแหน่งที่เราจะได้ใกล้ชิด a l l a s h a n t และที่น่าสนใจ Allah t a a l ใช้พระนามของพระองค์ r a h m n ในการเอามามาพาดพิงกันทาไมพระองค์ไม่ใช้ชื่ออื่นไม่ใช่ و ع ا ل ل ه เป็นพระนามของ Allah Taala เหมือนกันใช่ อัลฮยุอลกิย um, ุมอัลบารอัลมุตับบรเป็นชื่อของเขาอัลลุบฮานะวะตะลาทังสินทํางไมรพระองค์ไม่เอาชื่อเหล่านั้นมามาใช้ตรงนี้แต่เจาะจงเอาชื่ออัลลอฮ์มานมาอยู่ด้วยกันกับตำแหน่งบาวของพระองค์สวยงามไหมอัลลอ์มานเป็นชื่อหนึ่งของสุราที่เราเคยเรียนมาแล้วถูกต้องไหมครับ เรารู้แล้วว่าสุรอะหาร์รามา ง, งดงานแค่ไหนเพราะฉะนั้ น, นถ้าเรารู้ถึงความลับแค่ชื่อของมันเนี่ยมันก็เรียกร้องให้หัวใจของเราเนี่ยอยากจะค้นหาว่าอะไรอะ่ะคือคุณลักษณะของคนที่เป็นอิบาราฮิมมานอย่างแท้จริงทำไมพระองค์พระสุวตาลาจึงให้ตำแหน่งนี้กับคนคนนี้ อินชอาลอนะครับตั้งใจตั้งแต่วันนี้เลยเรายังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคุณลักษณะของอิบารุรฮ์มาหนึ่งสามสี่ห้าไม่เป็นไรแต่เนียและตั้งใจของเราเราจบหลักสูตรนี้เราจบคอร์สนี้เราจะไปปฏิบัติเราจะไปฝึกให้ได้อยู่ในตำแหน่งนี้จริงๆอะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความน่าสนใจนะครับเริ่มต้นอายักที่หกสิบเอ็ด a l ตรัสลตัว่า แบารักที่จั่งล์ในสเปนบรูจาแะจั่งล์ในซิราจและควมร์โมนีราจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิบาดุลรอห์มานหรือบุคลิกลักษณะของอิบาดุลรอห์มานโดยตรงอิบาดุลรอห์มานเริ่มต้นที่อันที่เท่าไรครับอันที่หกสบสาม ถ้าเอากันจริงๆเราต้องเริ่มต้นที่อายาที่ห3สบสามแต่ถามว่าทำไมผมจึงเลือกหรือพวกเราเลือกที่จะเริ่มต้นกับอายาที่ห1สบเอ็คำตอบก็คือว่าเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ในสุรทุลฟุรกัเนี่ยคำว่าตบารกาเนี่ยมีอยู่สามครั้ง Mikauan rasa, wah, จะอยูนั่นละอาลามีนาณีรอัลลอฮฺทั้งละพุ่งเปี่ยมไปด้วยบารักะ้ทรงประทานคัมภ um ีร์ท um ี k k um, ่ช um ื ake, ่อว่าอัลฟุรกอนให้กับบ่าวของพระองค์นะคอับเริ่มต้นด้วยทบารักและพูดถึงบ่าวของพระองค์ใครคือบ่าวของพระองค์ตรงนี้อายัดแรกบ่าวของพระองค์ที่อายัดแรกพูดถึงก็คือท่านนบีซัลลัลลอฮฺวะะละฮฺวะสัลลัมอายัดแรกเริ่มต้นด้วยทบารัก และพูดถึงบ่าวนั่นก็คือท่านนาบีสุลต่านของอะไรวะเซลัมพอมาถึงกลุ่มอายัดสุดท้ายเราก็เลยอยากจะเริ่มต้นด้วยตาบารากาเช่นเดียวกันและกําลังพูดถึงอีแบดบ่าวของพระองค์แต่ไม่ใช่บาวคนเดียวแล้วเป็นบ่าวหลายคนดังนั้นก็เลยขอเริ่มต้นด้วยอายัดที่สิ 61. นะครับเป็นการจบท้ายสุร้อนนี้ในอ่ะเป็นกลุ่มอายัด ความหมายว่าไงที่ بارك الذي جعل في السماء بروجات ทบารกะเนี่ยหมายความว่ายิ่งใหญ่ในแง่ความบารักะของ Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala ผู้ทรงเป็นเจ้าของบารักะอะไรคือบารักะบางที คำบางคำเราก็าจําเป็นที่จะต้องทับศัพท์เพราะว่าอธิบายเป็นภาษาอื่นแล้วมันเข้าใจไม่ครอ บ, บรคลุมบารักัตนี่หมายถึงยเยอะเตรียมลน้ลนล้นพ้นนี่แหละคือบรารักัต์บางคนเราอาจจะบอกว่าอ้าวคนนั้นมีบรารักัตคนนี้มีบรารักัต์เป็นคนที่ได้รับโชคล่าเป็นคนที่ได้รับเกียรติมันรวมอยู่ในคํานี้หมดเลย เป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะในตัวของเขาเองแต่คุณค่าที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยสามารถให้ประโยชน์ให้กับให้กับคนอื่นด้วยดูเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าคุณค่าของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็ไปให้กับคนนู้นไปให้กับคนนี้นี่คือบรักกะแล้วบรก Allah, บากะที่อัลลอฮ์ س ب ح ا ن ละอัลลอฮเราจะนับยังไงบรักกะท่อัลลอ เราไม่ได <t aps> <t aps> ้อยู่กับบารักกะของ Allah Taala หรือทุกอย่างที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากบารักกะของ Allah Subhanahu Wa Taala และ Allah Taala เท่านั้นที่เป็นเจ้าของบารักกะแต่บารักะหมายถึงพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala เราจะใช้คํานี้กับคนอื่นไม่ได้เราอาจจะบอกว่าคนนั้นมีบารักกะก็จริงแต่ให้บารักกะประเสริ์ประเสริบารักกะเนี่ย สิบหน้นอยูกับอัลลอฮฺ تعالى พิมพ์พระองค์เดี่ยนี่คือความหมายของคว่าบาระี่ัลสเบรูจอัลลเลือกใช้คุณค่าที่พระองค์สร้างมาในอายัดนี้ก็คืออัลลจาลสบรูจผู้ทรงสร้างในท้องฟ้านั้นมีบรูจนักตักเ นัถาอธิบายมีทัศนะที่ค่อนข้างหลากหลายคำว่าบูรูชตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรบางก็บอกว่าหมายถึงดวงดาวไปเลยดวงดาวทั้งหมดบางก็บอกว่าดวงดาวที่ใหญ่ๆญ่ดวงดาวที่ใหญ่โตแต่บางทัศนะก็บอกว่าหมายถึงจักรราศีสุพรานัลลัก์เห็นไหมเนี่ย สำหรับคนที่มองว่าอัลกุรอานพูดอะไรก็ไม่รู้นี่ไงอัลกุรอานกําลังพูดถึงท้องฟ้าฟังเอาไว้คนที่ไม่ยอมเรียนอัลกุรอานอัลกุรอานกําลังพูดถึงดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ความรู้ที่พูดถึงดวงดาวอัลบูรูชหมายถึงจักรราศี والسماء ذات البُرُوج ใช่ไหมครับอัลบูรูชจักรราศีจักรราศีนี้ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อะไรบ้างสําหรับมนุษย์การที่ Allah บอกว่า Allah ทรงเอาแตาละสร้างดวงดาวมาแล้วมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะดวงจันทร์น่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโคจรไปตามจักรราศีตา่ตางๆมีประโยชน์อะไรการที่ Allah ทรงเอาแตาละสร้างให้มีผมก็นับไม่ถูกนีไม่ได้งลงลึกในประเด็นว่าเออมันมีอะไรนะราศีเริ่องแต่ราศีอะไรราศีเมษราศีพฤษราศีอะไรและสุบภานัลนแหล ไอ้จักรราศีพวกนี้นะลองไปดูเลยทุกชนชาติเหมือนกันหมดมนุษยชาติเอาความรู้นี่มาจากไหนเรียกเหมือนกันหมดเลยอาหรับก็เรียกเหมือนกันนะเรียกเหมือนจะว่าเรียกราศรีเมษก็คือเป็นตัวแทนของหัวแพะหัวอะไรที่เขาเรียกกันนะเรียกเหมือนกันเหมือนกับว่ามนุษย์นี่เอามาจากแหล่งเดียวกันในการที่จะเรียกดวงดาวนะั้นดวงดาวนี้จักรราศรีนั้นจักรราศรีนี้ไม่ได้ต่างกันเลย เอามาจากไหนความรู้นี่ถ้าไม่ใช่ความรู้ที่มาจากอัาาลลอฮ์ س ب ะประธานลงมาสุบฮานอัลลอฮ์อัลบรูจดาวใหญ่ๆจากกระสีต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อฤดูกาลของชาวโลกสังเกตเลยนะถ้าเราเรียนวิชาดาราศาสตร์นี่ก็จะบอกเลยว่าเวลาที่ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย้ายไปที่จากกราสีนี้เริ่มและเริ่มฤดูกาลบางอย่าง ดูรอดด้อนดูฝนดูดูหนาวดูใบไม้ร่วงคนสมัยโบราณเขารู้เรื่องนี้สมัยเราเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีมีกรมอุตุนิยมมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็เลยลืมไปหมดละเมื่อก่อนเขาเอากรมอุตุนิยมที่ไหนอ่ะไม่มีกรมอุตุนิยมเขาดูจากการราศีพวกนี้แหละมากําหนดวันว่าอ่รเริ่มละ ฤดูร้อนเริ่มแล้วฤดูฝนกำลังจะเริ่มแล้วโดยใช้ดวงดาวและมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่หมืน่นกี่พันปีไม่เคยเปลี่ยนแล้วเราจะบอกว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาเองได้ยังไง ร, ระบบระเบียบนี้มันอยู่มาตั้งไม่รู้ตั้งกี่พันปีกี่หมื่นปีตั้งแต่วันแรกที่เราสมมติเลาสร้างมามันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไม่เคยบิดติวบิดเบือนบิด เบื่อเลยสุดพานามาแล้นี่คือทีบประคสลิฐที่ถูกละ้าสขึ้นในสวรรครอเคยครืน้ไหมเคยพิจารณาไหมเราต้องกลับไปเรียนคนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์วิชาดาราศาสตร์เนี่ยลองเอาความรู้มาแชร์หน่อยว่าเรื่องจักรราศีเนี่ยมันมีความน่าทึ่งยังไงและอะต่าลๆก็พูดถึงในคำพีธของเราอัลลอฮอักบลาาน และพระองค์ทรงสร้างในท้องฟ้าอีกเช่นเดียวกันซิรอจันหมายถึงดวงอาทิตย์ในภาษาไทยก็แปลว่าตะเกียงซิรอจเนี่ยโดยตรงก็คือแปลว่าคบไฟหมายถึงดวงอาทิตย์เพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์นี่มีลักษณะให้แสงสว่างเหมือนคบไฟ <c oughs> เหมือนตะเกียงที่ให้ความสว่างเหมือนไฟ ในขณะที่ดวงจังนทร์ว่ากอมรอมมุนีรอและดวงจันทร์ที่ให้แสงนวลมมนีตเป็นแสงที่มีแสงแต่ไม่ถึงขั้นให้ความสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์แปลกไหมเรามีชีวิตมาจ น, จนถึงปูนนี้เนี่ยเคยนั่งมองดวงจันทร์ไหมแบบมองจริงจๆจังจังะ เคยสังเกตเคยใช้ความคิดของเราพินิษพิจารณาดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แบบเอาจิงเอาจังอะเอ๊ะทำไมดวงอาทิตย์มันสว่างอย่างนี้เราเคยตั้งคำถามกับชีวิตเราไหมเอ๊ะแล้วทำไมดวงจันทร์มันไม่เหมือนดวงอาทิตย์ทำไมเราไม่เคยใช้ความคิดแบบนี้เหมือนที่อิบราฮิมเคยใช้อิบราฮิมเคยใช้อิบรอฮิมอะลรสรแล้วเคยใช้ความคิดแบบนี้ เราไม่เคยรู้สึกแปลกใจเลยเหรือไม่เคยตั้งคําถามเลยเหรือว่าความมหาศจาลเจะาพระตาลาให้กับเรามาบนโลกนี้เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นแบบนี้เราเห็นดวงจันทร์เป็นแบบนี้ไม่เคยใช้สติปัญญาของเราใคร่ครวญแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ในการเพิ่ม إ ي م านของเราเลยสักครั้งหนึ่งทั้งชีวิตเคยไหมถ้ายังไม่เคยลองดูลองนั่งพิจายรณ า, าดูดวงอาทิตย์อัลลอฮฺ เห็นหพอถึงฤดูการหนึ่งดวงอาทิตย์มันก็จะไปทางเฉียงเฉียงใต้หน่อยมเวลาถึงฤดูอีกรดูนึงอ่มันจะกลับมาที่อีกอีกทิศหนึ่งมาที่ทางเหนือหน่อยเป็นเพราะอะไรดวงจันทร์เริ่มทีละนิดทีละนิทีละนิ ด, นดค่อยค่อยใหญ่ ค, ค่อยใหญ่แล้วจากใหญ่ที่สุดก็เริ่มดาข้างแรงลงไปอีก สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เรียกร้องให้เราใช้สติปัญญาในการไข่ครวนทั้งสิ้นเอนุลกควยม น, นะครับเคยอธิบายว่าสติปัญญาที่อัะะลลอฮฺประทานมาให้กับเราเนี่ยมีหน้าที่อยู่สองอย่างความคิดของเราซึ่งเป็นหน้าที่ของปัญญาเนี่ยการใช้ความคิดของเราเนี่ยเราต้องใช้ความคิดของเราสองอย่างเป็นหน้าที่ของมัน ในการใช้ก็คือหนึ่งอัตตาฟกุรฟิลีลลกุรานีการใช้สติปัญญาใครครวนในหลักฐานที่อัลตตาาพูดถึงในตัวบทอัลกุรอานของพระองค์เนี่ยอ่านอายัอัลกุรอา น, อนแล้วคิดดูวาลตตาากลังพูดอะไรอย่างเงนที่เราเรียนวันนี้เราก็ลองใช้ความคิดของเราดูว่าอัลตาากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอันที่สองอัตตฟกุร ฟิ ด, ดลีลอัลอายานีการใช้สติปัญญาใรขครวนในหลักฐานที่เรามองเห็นด้วยตาต้องเอาสิ่งที่เราคิดเราเห็นจากอัลกุรอานเนี่ยไปไปใช้กับสิ่งที่เราเห็นกับตาอาลาะต์เาพูดถึงจักรราศีลองดูสักครั้งนนึนงตื่นขึ้นมาดูว่ า, อาลองดูดวงดาว ว่าคือ น, นี้จักรราศีนั้นอะไรอยู่ตรงไหนลองดูมอ้อาวอัลตาลาพูดถึงดวงอาทิตย์เอาลองสังเกตดวงอาทิตย์สักวันหนึ่งว่ามันเป็นยังไงหน้าตายังไงแบบไหนลักษณะของมันเป็นยังไงลองสังเกตดวงจันทร์หน่อยเนี่ยนี่คือสิ่งที่อัลตาราเรียกร้องเราให้เราเห็นแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สองอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเราดูอัลกุรอานแล้วเราก็ออกไปคิดกับสิ่งที่เราเห็นในมรรคลลกจริงๆมันจะมีผล ต่อความศรัทธาของเราต่อความเชื่อมั่นของเราต่อการที่เราจะแสวงหาวิธีการดำารงชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮฺพาลแต่ละประทานมาให้กับเราอย่างแน่นอนมาชาอฺละนะครับยังไม่หมดอัลลจัและกาูันัอรกรออารคและพระองค์อัลลอ ผู้ทรงทําให้กลางวันไอ้กลางคืนก่อนอเริ่มจากกลางคืนก่อนวะฮุลลซีจ่าละไลละวันะนะฮะคลิฟเฟนพระองค์ผู้ทรงทําให้กลางคืนและกลางวันนั้นแทนกันและกันคลิฟก็คือสลับเปลี่ยนมนเวียนซึ่งกันและกันกลางคืนจบไปกลางวันก็ขึ้นมากลางวันจบไปกลางคืนก็มาแทน อ้าวอะคือว่าคือพอเราอยู่กับมันทุกวันเราก็เลยไม่อยากคิดเราก็เลยไม่อยากคิดว่าทาไมต้องมีกลางวันกลางคืนก็ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าโลกนี้มีแต่กลางวันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางดวงดาวนี่มีแต่กลางวันดวงดาวบางดวงไม่มีกลางคืนแต่ดวงดาวบางดวงก็มีแต่กลางคืนไม่มีกลางวันถ้าโลกเราเป็นอย่างนั้นะอะไรจะเกิดขึ้น แต่ละอย่างมีหน้าที่ของมันหมดเลยดวงอาทิตย์ก็มีหน้าที่ของมันดวงจันทร์ก็มีหน้าที่ของมันเรารับประโยชน์จากดวงอาทิตย์แบบหนึง่งแล้วเราก็รับประโยชน์จากดวงจันทร์อีกแบบหนึง่งถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เหมือนกับกลางวันกลางคืนถ้าโลกนี้มีแต่กลางคืนเราจะอยู่ยังไงหรือถ้าโลกนี้มีแต่กลางวนันเราจะนอนตอ น, ตอนไหนอัสสลามุอะลัยกั นะถ้าอยากจะรู้เราผมเองก็ไม่เคยนะไปขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่กลางวันบางช่วงบางเวลามันจะยาวกว่ากลางคืนหรือบางฤดูกลางคืนจะยาวกว่ากลางวันนี่คือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์จ่าลาพูดถึงในคัมภีร์ของพระองค์และทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระอัลลอฮฺจ่าลาพูดถึงดวงจันทร์ไร้สาระไหมพูดถึงดวงอาทิตย์ไร้สาระไหม พูดถึงจากราศีไรสาระไหมพูดถึงกลางอ่อนกลางถึกไรสาระไหมไม่ไร้สาระมันจะไรสาระได้อย่างไงเมื่อมนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังวิจัยจยังไม่จบสิน้นความรู้ประโยชน์ต่างๆที่ได้จากดวงอาทิตย์ที่ได้จากดวงทรที่ได้จาก จ, ากจักรวาลนี้คนยังพูดถึงกันยังไม่จบไม่สิน้นน่ะแล้วมันจะไรสาระได้อย่างไงนี่แหละคือความหมายของคําว่ากะบาโรคบาโรคะบาโรคะจากดวงดาว มาถึงว่าบารักะที่อัลลอตัลลาสร้างดวงดาวมาสร้างดวงอาทิตย์มาสร้างดวงจันทร์มาบารกะจากการที่อัลลอตัลลาให้เรามีกลางวันกลางคืนอัลลอฮฺเออัคบเราจะนับได้อย่างไงเราจะนับได้อย่างไงอัสสลามุอะลัยฮอะสซบอุลัทําไมทําไมมนุษย์ไม่ยอมที่จะไม่ยอมที่จะใครกรนนั่นแหละที่อัลลอฮฺตัลลาบอกว่าลิมันอโรดะอันยะจักกาสำหรับคนที่ต้องการเห็นใครที่ไม่ต้องการเนี่ย ได้ประโยชน์ไหมดวงอาทิตย์ขึ้นดวงจันทร์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกดวงจันทร์ตกชีวิตหุนเวียนไปแต่ละวันแต่ละวันแต่กูก็จะอยู่อย่างนี้กูไม่อยากจะรับรู้อะไรได้ประโยชน์อะไรไหมไม่ต้องการอะชีวิตไปเรื่อยเหมือนน้ําไหลเหมือนขอนไม้ไหลไปกับน้าไปวันวันเพราะไม่มีความต้องการที่จะยัยกรประโยชน์มันจะเกิดขึ้นสาหรับคนที่ ต้องการนี่มันอรอดคนที่ต้องการเหมือนเราที่บอกเมืเ่อเช้คอสอบรมคอสดึงศักยภาพใครที่ไม่ต้องการเขา้เข า, เขาไม่เข้าอ่ะจะเข้าทำไมชีวิตก็ดีอยู่แล้วเห็นมเหมือนกันเลยคนที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีคนที่จะเพิ่มอีมานของตัวเองต้องเกิดมาจากความต้องการของเขา เราต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่วัตาราสร้างมาให้เราหรือเปล่านี่แหละคำถามคำถามที่เราต้องถามตัวเราเอ ง, องนีมันอะรเดอันยังการยังกรเราแปลความหมายอย่างน้อยได้สองแง้ยังการก็คือใครควรแสวงหาบทเรียนถอดบทเรียนคิดใช้วความคิดแล้ว มีผลออกมาจากการที่ใช้ความคิดแล้วก็เอาไปใช้จริงในชีวิตนั่นแหละคือคำว่าอย่าักกันหรืออีกความหมายหนึ่งเนี่ยเป็นความหมายในแง่ของการภาคปฏิบัติเชิงชริอะอย่ารักกันตรงนี้หมายถึงว่าเตาบัตรตัวต่อหลอกสมพานหัวใจล้สแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์รำลึกถึงพระองค์นี่คือ หนในจนํานวนความหมายของคําว่าอย่ารักกันเราจะราลึกถึงลอสซาลาได้เวลาไหนได้ทุกเวลากลางคืนเราก็สามารถที่จะเคารพพักดีต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ได้เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาเตาบัตตัวต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ได้เราสามารถที่จะราลึกต่อลอสซาลาในเวลากลางคืนได้ถ้าพลาดกลางคืนสมมติกลางคืนเราพลาดไปไม่ทันกลางวันเราไปทำอำลามัลอิบะได้ได้ไห ก็ได้ใครที่พลาดกันทําอามัลอิบาดักกลางคืนมาทำกลางวันได้อิบะดักต่อโลกอัลลอฮฺเราจัดละซิกเกตกลางคืนก็มีซิกเกตกลางวันก็มีไม่จําเป็นต้องจํากัดว่าจะต้องกลางคืนเท่านั้นหรือจะต้องกลางวันอย่างเดียวเท่านั้นที่เราทำอิบะดักต่อโลกอัลลอฮฺเราจัดละนี่คือประโยชน์ของกลางวันและกลางคืนการเตาบัดของเราอัลลอฮฺเราจัละรับหมดเราจะเตาบัดกลางวันกลางคืนอัลลอฮฺรับหมดเลยเอาอาราดะชูคูรอสาหรับคนต้องการจะขอคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เห็นไหม การขอบคุณเนี่ยมันไม่มาถ้าสมมุติเรามองไม่เห็นประโยชน์พวกนี้มันไม่มาถ้าสมมุติเราไม่คิดเราไม่ใคร่ครวญและเราไม่สิกเกิต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องคิดและต้องสิกเกิต่ออัลลอฮ์การขอบคุณมันถึงจะมามีคําพูดหนึ่งของนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วกลางวันกับกลางคืนเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ย เราเราได้ประโยชน์จากมันค่อนข้างคือความแตกต่างของกลางวันกับกลางคืนของคนในอดีตเนี่ยเขาเขาจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเพราะว่าความเจริญมันยังไม่มีดวงอาทิตย์ตกปุ๊บสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรต้องจุดไฟเองเห็น ไ, ไหมเขาก็จะได้จะได้เห็นความแตกต่างว่าอ๋อตอนช่วงกลางวันเนี่ยมันสว่าง มันทำมาหากินสะดวกพอตกกลางคืนปุ๊บทาอะไรไม่ได้ลต้องเข้านอนอย่างเดียวเขาจะนอนเร็วแต่ทุกวันนี้กลางวันกับกลางคืนแทบจะไม่แตกต่าง ก, กันเท่าไหร่ <c oughs> เราก็เลยมองไม่เห็น <c oughs> ประโยชน์ของกลางวันและกลางคืนเพราะมันเหมือ น, อนกันหมด <c oughs> เราไม่ได้ใช้บทเรียนจากกลางคืนเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้กลางคืนไม่ได้ตามจากกลางวัน <c oughs> ร้านกาแฟยังมีถึงเช้าเคืน สมัยอดีตคงไม่มีร้านกาแฟถึงกลางคืนมีบางที่มีร้านกาแฟ24ชั่วโมงอ่ะเราก็เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกลางคืนเหมือนที่คนในอดีตเขาใช้ประโยชน์จากกลางคืนได้อยา่าง mm hmm. เต็มที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากลางคืนมีความพิเศษยังไงลองลองเข้าไปอยู่ในป่าสักวันหนึ่งลองไปตั้งแคมป์ลองไม่มีไฟฟ้าแล้วแต่ทุกวันนี้ไปตั้งแคมป์มันก็ยังมีอย่างอื่นอีก มือถือก็ยังใช้ได้อยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังเข้าถึงอยู่เห็นไหมเราก็เราไม่มีความรู้สึกว่าอัลลอฮฺอักุบัตกลางคืนมันมีประโยชน์กับเราไม่เหมือนกับคนในอดีตคนในอดีตนี่เขาเห็นภาพชัดเลยว่าอกลางวันเป็นยังไงกลางคืนเป็นยังไงชีวิตกลางคืนกับชีวิตกลางวันนี่มันคนละแบบกันเลยแต่มาถึงยุคเราบางทีอาจจะสลับกันก็ได้บางคนเนี่ยกลางคืนสว่างเลยเพราะกลางวัน ปิดบ้านปิดม่านปิดหมดทุกอย่างแล้วนอนยาวเ พ, พาราะพกลางคืนมาเอามีชีวิตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งวัลลอฮฺเจมุบิลาาล า, าลฮฺอัลลอฮฺอัสซัลลัมุลลอฮฺฟาตูบิอัลละยวาตัยอ่ายวาต่ยุคอดีกเลยยุคเราเนี่ยแค่คนในเมืองกับคนในชนบทคนละแบบกันแล้วคนละแบบกันแล้วชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะให้กลางวันและกลางคืนสร้างคุณค่ากับเราจริงๆเราจะทำยังไงต้องฝึกให้กลางวันเป็นกลางวันกลางคืนเป็นกลางคืนแต่มันก็ทำยากมากไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วธุรกิจบางธุรกิจณนะปัจจุบนันนี้ต้องทำกลางคืนเท่านั้นเห็นไหมมันก็เลยกลับตาลปัดกันหมด นะเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าบางอย่างที่อลอสบอลตะละต้องการให้เราเห็นจากการที่ใช้ชีวิตก่อนคือหอยหาไหมชีวิตในอดีตผมว่าเชื่อผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับคนที่มีอายุเจ็ดิบแปดสิบปีเนี่ยสมัยเด็กๆเป็นยังไงอวารู้สึกเป็นยังไงสมัย น, นู้นความเป็นธรรมชาติความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตซึ่ง ความเรียบง่ายเหล่านั้นกลับกลายเป็นว่าเราที่อยู่ในโลกเทคโนโลยีตอนนี้ต้องหามันหรือบางทีต้องลงทุนซื้อโมเม e ต์เหล่านั้นเพราะว่ามันไม่มีอีกต่อไปถ้าจะอยากจะมีต้องขี่เครื่องบินไปที่ไปไกลต้องมีแพ็คเกจทัวร์ต้องมี ua, งมเพราะว่าในเมืองแบบนี้บทสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบคนในสมัยอดีตต่อไปอัลลออักวัรอัลลออักวัรยอัลลอ์นะ แค่สออายัดเดยังไม่เข้าอิบาดุรรัมมาเลยวันนี้เอาเป็นว่าสองอายัดนี้เป็นการปูทางที่จะทําให้เราเห็นว่าคุณค่าที่อเล็กซ์สุภาะตาะอัลลได้เผยเอาไว้ในคมภีร์ของพระองค์เนี่ยมีมากมายขนาดไหนถ้าเราใช้มันเป็นแล้วเราดึงบทเรียนมันจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จากทุกอายัดที่อเล็กซ์ตะอัลละบอกเราแล้วเราใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่อเล็กซ์ทําให้มันเกิดขึ้นตอนหน้าเรา นายจะกราบวอนนดาอินชาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะพักนี่อัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอลออลอลลลอฮลลฮอลอัลอัลลอฮ